วันนี้เป็นวันที่ส0สิบตุลาคมพุทธศักราช2557หรอห้าสบเจ็ดม่อวานหลวงพ่อทราบว่าคุณแม่ของพออสุจิตชํำนานรบที่มาถ่ายกล้องทีววัดของเราทุกวันเมื่อวานไม่เห็น ก็เลยถามบอกว่าแม่ป่วยที่โรงพยาบาลศูนย์อุดร อ, อาการหนักแต่ก็ทราบขา่าวมาเป็นระยะระยะอยู่ว่าทําป่วยอายุ8ปดิบกว่าปีก็เพิ่งมามาณะเมื่อวานตอนเจ็หรือนาฬกาเมื่อวานก็นำศพมาถึงบ้านเมื่อวานนะหลวงพ่อก็เลย ตอนเย็ยนๆในมณฑพระในวัดของเราไปสวดมัตติกาบาังสกุลก็ส่งพระไปสีรูปแล้วก็ตอนเย็ยนหลวงพ่อก็เลยแับไปดูงานแต่คนก็นยังไม่มากเอาศพมาถึงใหม่ๆไม่นานเพราะนั้นพวกเราที่รู้จักมักคุ้นก่บไปงานศพแม่ของพระอจุจิตนาะ แล้วก็เมื่อวานนี้หลวงพ่อก็ทราบข่าวทางสถานีพิทยุเสียงธรรมของหลวงตาเหมือนกันนะแต่ฟังๆดูแล้วก็หลวงพ่อยังไม่รู้ตื่นลึกหนาบางว่าเป็นยังไงทำไมไปมีหนังสืออะไรปลดคุณชัยปมออกจยาก นายสถานีวิทยุเสียงธรรมที่สวนแสงธรรมหลวงพ่อก็ยังไม่ได้รายละเอียดแต่ทราบแล้วก็เออไม่พอเห็นได้ยินแล้วก็อืมไม่น่าจะถูกต้องมัง่งพาลูกพาหลานน้องนุง่นงทั้งหลายหลวงพ่อก็มีแต่ได้ปรรบขึ้นมาการที่จะทำอะไรก็ต้องไปชุมหารือกัน ผู้ใหญ่ผู้น้อยซะก่อนยังค่อยดำเนินการแต่ในปุับปับแล้วก็คุณชายก็เป็นคนเก่าแก่ขององค์หลวงตาอีกต่างหากหลวงตาไว้เนื้อเชื่อใจพอมาถึงปูนลูกปู น, ลนหลานเห้นทำยังไงก็ต้องคิดให้รอบขอบหลายตลบอันไหนควรไม่ควรอย่างไร วันนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพูดทางนี้ทางนั้นเป็นยกเป็นอุตตาหอ์ถ้าเผื่อหลวงพ่อมีอะไรตายลงไปจะไปหากัดหัวกันไม่ได้นะมันต้องมีผู้น้อยผู้ใหญ่ต้องฟังกันไม่ใช่ใช้แต่ทิฐิมานะเข้าหากันมันไม่ได้ไม่ถูกมันต้องใช้หลักเหตุผลพจนพุทธศาสนาเป็นศาสนาเหตุผล พวกเราต้องการอะไรเกิดมาในโลกนี่ต่อการลาบยศสรรเสริญสุขแบบโลกโลกอย่างนั้นใช่ไหมต้องการเพียงโล ก, กธระทำเท่านั้นใช่ไหมไม่ต้องการมรรคผล น, ผนิพพานแสวงหาทางพ้นทุกข์ปราถนาสูงสุดขอข้าพเจ้าจะได้มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏสงสารอีกเป็นอนันตการอย่างนั้นใช่ไหม เรียกว่าข้าพเจ้าจะขอปรารถนาอยู่ในโลกเป็นอนันตการอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ให้ตั้งปัญหาเรกวตั้งคําถามตนเองแต่ถ้าหากว่าตัวเองถามตนเองแล้วเฮ้ยข้าพเจ้าจะเกิดมาทําไมเกิดมาแล้วก็ตายเห็นไหมคนตายแต่และวี่ละวันวันก่อนข้าไปประชุมเพลิงหลวงพ่อทันรัตนะ มาวันนี้ก็ทราบข่าวว่าแม่ของพ่อสุจิตแล้วก็คิวต่อไปจะเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันคิวต่อไปเพราะนั้นเราจะมาเผากันอยู่ในโลกวัตฏสงสารเพียงแค่นี้เหรอเพราะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวไว้แล้วเนี่ย คนทางที่ไม่มาเวียนไหวตายเกิดคืออะไรเนเราจะจะมาวกบนเวียนอยู่เพียงแค่นี้ลเลยเป็นในประเทศไทยไม่รู ก, กี่ยุกกี่สมัยทะเลาะเบาแวงกันผลที่สุดไม่เห็นใครเอาไปแผ่นดินไทยไปได้กระตกทอดมาถึงพวกเราแล้วพวกเราจะทะเลาะกันอีกเหรอไม่คิดถึงความตายตัวเองบ้างเหรอ อีกถ้ากี่วันกี่เดือนกี่ปีอีกต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยหายใจไม่เข้าก็ใช่หายใจไม่ออกก็ใช่หรือว่าเอาเถอะถึงข้าพเจ้าจะตายไปก็เถอะขอให้ข้าพเจ้า้ะขยุ่มหลังเขาสักครั้งหนึ่งก็พอเลยเอาขนาดนั้นเทียวเหรอก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายน่าจะรู้จักปล่อยวางยึดในสิ่งที่ควรยึด ปล่อยวางในะสิ่งที่ควรปล่อยวางยดึดพระไตราสาระคมยดึดคุณงามความดียดึดแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาอย่างไรเราก็ควรจะกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแต่ส่วนลึกของใจของเรานั้นเราบวชมาเพื่ออะไรต้องการอะไรจุดประสงค์สูงสุดของเราคืออะไร แต่หลวงพ่อขอให้พ้นทุกในวัฏฏะสงสารใครอยากจะได้ลาบไดยศเ้าวเชิญใครอยากจะได้สารเสื่อเอานเชิญแต่ข้อสําคัญเราให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมให้พ้นทุกอย่าได้มาเวียนไหวตายเกิดอีกเห็นเพียงแค่นี้ก็พอละสารถุกสุขดิบมันสุขที่ไหนอันไหนคือความสุขที่แท้แทจริง ความสุขแท้จริงคืออะไรคนยกย่องนับถือเลื่อมใสามากๆอย่างนั้นใช่ไหมแต่ขนาดเพียงขนาดนี้จึงจะหาเวลาพักผ่อนไม่ได้ทาไม่ไปหรือยังไงถ้าอยู่กับที่หรือยังไงคนมาบรบกวนจะหาเวลาพักผ่อนก็ทั้งยากผลที่สุดเวลาพักผ่อนก็มีเพียงพอพราะคนเคารพนับถือเลื่อมใสดีไหมสุขไหม ก็ไม่น่าตอบว่าสุขทีเดียวาลาบขึ้นมามีลาบมากเป็นยังไงมีสุขไหมคนที่มาแย่งยาบลาบกันมันมีมากมายหลายหลาหลายอย่างถ้าแบ่งปันไม่โทษถึงได้มาและแบ่งปันไม่เป็นธรรมแบ่งปันไม่โทษถึงเป็นไงจะฆ่ากันอีกต่างหากเบียดเบียนกันอีกต่างหากฟ้องร้องกันอีกต่างหาก มันเป็นความสุขที่แท้จริงไหมมียศก็เหมือนกันใครมีคนยกย่องตั้งยศตั้งตําแหน่งให้เมื่อเราได้ยศขึ้นมาแล้วคนมาชิงตงําแหน่งรักษายศตําแหน่งของตัวเองมันทุกข์ขนาดไหน เ, เป็นความสุขไหมและความสุขของเราความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรทานอาหารอร่อยนอนหลับสบาย มีเงินใช้อย่างนั้นใช่ไหม เ, ออเวลาทานอาหารอิม่มอาหารอร่อยอิม่ม เ, เวลาไม่มีห้องน้ำล่ะมันสุขหรือมันทุกข์มันทุกข์เตียงพร้อมรอรับเราอยู่แล้วไม่เว้นวันเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราคิดดูแล้วมันเป็นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆความสุขที่แท้จริงของมนุษย์ อันไหนคือความสุขที่แท้จริงไม่เจอมีแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ชํำละใจอย่าได้มีความโลภโกรธลงงลาคะโทสะโมหะออกจากจิตใจเป็นพระหานรบริสุทธ์บริบูรณ์เมื่อไรเมื่อนั้นล่ะคือความสุขที่แท้จริงถ้านอกจากนั้นเราไม่มีหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เพราะนั้นเราจะมาหาอย่างนี้เหรอหาเพียงทะเลาะเบาแวงกัน หาเรื่องลาบเรื่องยศทักคนชนะเสิริญเยิอนยอเพียงแค่นี้เหรอก็ไม่น่าจะถูกนะหลกบวชมาทั้งทีอยู่ปฏิบัติทมทั้งทีรักษาศีลทั้งทีได้รับธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนทั้งทีเราควรจะมองให้ไกลหาทางพ้นทุกข์จะดีกว่าแต่ถึงยังไงก็ตามเรื่องศีลและวินยัยอันนั้นก็ มันก็ไปพร้อมๆกันแต่ถึงยังไงศีลและวินัยก็ให้รักษาตัวให้ดีที่สุดเมื่อรักษาตัวดีแล้วคนอื่นไม่ดีแล้วจะทำยังไงมันเป็นของคนอื่นแต่มีแต่บอกกล่าวแนะนำให้รู้จักพอสมควรแต่เขาไม่ปฏิบัติตามแล้วก็เออเพราะธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเทวนวาเมตตากรุณามุทิตายังมีข้อสุดท้ายนะอุเปกขา เอาเปรียขาก็คือไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อถึงคราวจําเป็นจะต้องต่อยจ ะ, จะจะต้องปล่อยจะต้องวางจะต้องตัดทิ้งเหมือนกับร่างกายของเราถึงจะรักรักขนาดไหนก็รักแต่รักร่างกายอีกสักวันหนึ่ง เ, เกิดโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาหายใจขาดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใจกับกายกายกับใจจะต้องออกจากกันไม่ออกก็ต้องออก หรือจะมาอยู่ในร่างกายเน่าๆไปเปลือยได้เหรือใจก็ต้องออกจากร่างร่างของเราก็จะต้องถูกเผาไฟทิ้งเอาไปเผาเผาทิ้งถ้าไม่เผาไม่ฝังทิ้งกันนะทิ้งเกลือนในแผ่นดินเหมือนสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่เราเห็นนพวกหมาพวกสัตว์ที่รถชนรถเฉียวตายในข้างถนนไม่มีใครเอาไปเผาไฟไปฝังมันก็ตายทิ้งเกลนอน นี้ก็เหมือนกันถ้าเราเกิดศึกสงครามโรคระบาดขึ้นมาถ้าไม่มีใครฝังใครใครเผาใครใครเก็บซากศพใครมนุษย์ของเราก็ตายเหมือนกับหมาตายนั่นแหละนั่นแหละอันนี้เรคือสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลก อ, อีกสักพบหนึ่งชาติหนึ่งมันจะต้องมเอีเกิดมาในโลกไม่ยุคไม่วายยุคใดสมัยใด เพราะนั้นอย่ามาเกิดดีที่สดุดเมื่อเราเมื่อเราได้รับพระธรรมคำสอนของพระพุธทธเจ้าแล้วให้พวกเราประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจชำระกิเลสให้หลดกลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะละเลิไประเสริฐนะแล้วก็วันนี้เป็นวันขึ้นแคดขาเดือน11จากนี้ไปแดวันก็เป็นวัน สิ้นกรถินพอมันเดือนมันขึ้นแปดค่ำเดือนเดือนสิบสองไม่ใช่แล้วน่ยพอเดือนเดือนดับเมื่อกี้เนี่ยเดือน10บดับเมื่อกี้เนี่ยเดือนสิบเอ็ดับแล้วก็เดือนมันป่าเขาเดือนสิบสองขึ้นสิบสองค่ำแปลว่าคาวนานี่ยจเป็นวันลอยกระทงเล ย, เยอ่เป็นวันสิ้น S <S <an> เป็นวันหมดเขตกรถิ่นพอนับนับจากวันออกพรรษามานหนึ่งเดือนอันนี้เขาได้สามอาทิตย์แล้วนะออกพรรษามาได้สามอาทิตย์แล้วเพราะออกพรรษาวันที่แปดไม่ใช่ลรือออกพรรษาวันที่8วันนี้ก็เป็นวันที่สามสบแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งก็เป็นวันสิ้นสุดของเขตกรถิน เขตกะทินั้นเดือนหนึ่งจากออกนับจาแต่วันออกพรรษามาวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปบัดนี้พวกเราทําทำอะไรอยู่วันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปบัดนี้พวกเราทําทำอะไรอยู่อันนี้ให้ถามตนเองหรือทะเลาะกันอยู่หรือด่ากันอยู่หรือมัวเมาเด็ดหาลาภหาชด หาเงินหาทองเหรอไม่น่าจะถูกนะต้องหาธรรมด้วยนะทั้งหาทั้งหาเงินโดยทั้งหาธรรม้วยไม่จึงจะถูกนะอาหารกายอาหารใจอาหารกายก็คือข้าวน้ําโภชนาอาหารปัจจัย4เนี่ยนะอาหารกายส่วนอาหารใจก็คือธรรมะปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธินะทําจิตใจให้สงบนั่นแหละอาหารใจ ถ้าเรามีทั้งอาหารกายอาหารใจด้วยนั่นระลิกประเสริฐถ้ามีแต่อาหารกายอย่างเดียวอ า, อาหารใจไม่มีนั่นหลับโค้งสุดท้ายเาเมื่อเราจะจากโลกนี้ไปนะั้นเราจะวัาเหวีย่ยงว่างเ ง, งียบเหงาซึมเศร้าที่สุดเพราะอะไรไม่มีที่ไม่มีที่พึ่งทางด้านจิตใจแต่ถ้าว่าเรามีอาหารใจดีนั้นระลึกประเสริฐนะ ในหลักธรรมคมสอนของพระพุทธเจ้าถ้าอาหารใจบริบูรณ์ตั้งอกตั้งใจภาวนาจนได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระอรหันถึงที่สุดถึงจะแก้ผ้าอยู่ก็อยู่อย่างพระอรหันถึงจะทุกขจนยังไงก็คือพระอรหันพอจากชาตินี้ไปท่านก็ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วอันนั้นคือพระอรหันที่ท่านจากไป ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยนี่แหละท่านเชิดชูบูชาจุดท่านอ่ะจุดที่ทําจิตใจให้หลุดพ้นถ้าหาว่าจิตใจยังไม่หลุดพ้น่ะถึงจะมั่งมีสีสุขร่ารวยขนาดไหนก็เถอะอพอผุนิสุกเก็ทิ้งร่างกายนะี่กนะ็ทิ้งมือเปล่าทิ้งทั้งหมดทรัพย์สมบัติเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างขนาดร่างกายตัวเองยังเอาไปด้วยไม่ได้เพราะนั้น ในหลักธรรมคำสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนขอให้พวกเราทุกๆท่านนะสรุปแล้วจะตั้งอยู่ในความประมาทให้เอาทั้งอาหารกายทั้งอาหารใจเข้าสู่จิตใจพวกเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถึงโค้งสุดท้ายเย้ามีอาหารใจอบอุ่นนะถึงข่าวข่าแล้วเหรอข่าจะไปแล้วเหรอหมดอายุของข่าแล้วหรอเอาไปก็ไป ครเกิดมาจะไม่ตายในโลกเ น, นี่แหละอันนี้ ค, คือเรามีอาหารใจของเราเป็นที่อบอุ่นนะแต่เราไม่มีอาหารจุดนี้นว้าเวนะว้าเวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าไม่รู้จะไปทางไหนออกจากพบนิชาตินี้แล้วรับพร อ, อนุโมทนาให้พร